ท่านที่เคารพค่ะที่ทนสรรเสริญนาพงศ์นะคะก็มาพบกับท่านด้วยการที่ได้อาราธนาพระคุณเจ้าสองรูปรูปแรกผ่านไปแล้วพระมารชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาขลองเสร็จค่ะมานำท่านสู่การปฏิบัติซึ่งดูเหมือนกับเป็นการกระทําที่ซ้ําๆซ้ำๆกันแต่เป็นการกระทําซ้ําๆที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่หรอกนะคะการเจริญทางด้านอินทรีย์ภาวนาของท่านก็จะงอกงาม ไปตามการกระทําซ้ําของท่านนี่แหละคะ่ะในส่วนของการที่จะได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจา้าตอบเรื่องนี้ไว้อย่างนี้อย่างนั้นโดยเรียกเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะกําลังจะมาถึงต่อไปนี้กับพระพบูลน่ะพิบุ ญ, ญโนพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะจากวัดปาดอนหายศูอุดรธานีซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างคอสเล็กเรนคอสที่2ของเดือนเมษายนกราบน้อมส ก, การกันะทัานคะเจริญพร ที่คนนิมิบอกว่าเป็นการทําทําซ้ําๆย้ำยๆที่ไม่หยุดอยู่กับที่อันนี้แหมพูดดีมากเลยพู้เช่าเคยพูดถึงมักนะคือมักเนี่ยเป็นของที่คนทําให้แจ้งถ้าใช้บทเพียรชนะที่พู้เช่าบอกว่าทําซ้ําๆย้ำย้ำแบบไม่อยู่กับที่นะคือทําให้ทําให้เจริญขอไปทําให้เจริญทําให้เจริญคือทําให้มากทาให้บ่อยทําให้ซ้ําทําให้ย้ําคือบ่อยๆมากๆเนี่ยคือเจริญนะแล้วเราก็จะค่อยเกล้าเข้าใกล้นิพพานเข้าไปคือนิพพานคือทำที่คนทําให้แจ้ง ทีนี้พูดถึงคนเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับการที่ว่าพอมีเลขหนึ่งก็ต้องมีเลขสองเลขสาเลขสี่ใช่ไหมคะใช่พอบอกให้ทําซ้ํานานๆซึ่งกระบวนการในการภาวนาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าถ้าจะเจริญอาณาปานสติก็มีอยู่ที่ว่าให้รู้ลมหายใจถูกไหมคะทุกคนก็เลยคิดว่าเออซ้ําอยู่แค่นี้นแล้วมันจะไปไหนได้ยังไงเน่านี่คือสมมุติว่าถ้าเรานับหนึ่งแล้วไปนับสองเนี่นะเราก็เพิ่มเดียนละหนึ่งคุณโยมติวเหนียวไห นับสแล้วไปนับ3คุณก็เพิ่มทีละ1เพราะฉะนั้นเราก็คือนับทีละ1นึเข้าใจไหมเรา ท, ทําทีละ1แล้วทําละหนึ่งละหนึ่งละครั้งละครั้งเท่านั้นเองเหมือนเดิมเพราะเราดูคนหมายใจก็ดูครั้งเดียวแนะต่อไปเราก็ดูอีกครั้งหนึ่งล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งนับทีละ1นึ่เท่านั้นเองนะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆ ย, ย, ยาวขึ้นไปได้เหมือนตัดถนนเขาก็ทําที่เดิมกระบวนการเดิมวิธีการเดิมก็ยาวขึ้นไปได้ทำนาเขาก็ทําเหมือนเดิมที่เดิมแปลงเดิม น้ปีต่อแล้ว่าปีเล่าเอาเข้ามันมากขึ้นได้เพราะนั้นเราเราอย่ายไปกังวลคือกระบวนการเนี่ยมันก็มันก็แค่นี้เองแต่วิธีการวัดมันคนละอันกับกระบวนการเนี่ยคือที่เข้าใจว่าคนบางคนเนี่ยมีความรู้สึกเอ้ครูบาอาจารย์ทำไมสอนอยู่แค่นี้สอนไม่ไปถึงไหนเลย อ, อย่างนี้ไม่เห็นจะต้องเรียนเลยอ๋อถ้าจะสอนเป็นพิสดารก็ได้นะสอนที่ให้มันละเอียดก็ได้ก็ได้ คือสอนมันสอนได้ไม่จบอ่าสอนได้คือคําสอนเนี่ยจบคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจบอยู่ที่นิพพานมีมีความเป็นนิพพานเป็นที่สุดจบพระเจ้าเคยสอนคนทํานาคนหนึ่งมีเขามาถามว่าเอ๊ะทำนาเนี่ยบอกชาวนานะว่าว่าการทํานาของพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยมีศรัทธาเป็นคันไถนะทำนาเนี่ยเขาจะจบกันที่เกี่ยวใช่ไหมชาวนาทั่วไปพระเจ้าก็บอกว่าการจบของการทํานาของพระองค์เนี่ย จบที่นิพพานนิพพานเป็นเครื่องสุดจบของการทำนาแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ถ้าหากว่าอยากจะเรียนให้ก้าวหน้าไปก็สอนได้หมายถึงว่าอยากจะเรียนในรายละเอียดที่แตกหน่อออกไปก็สอนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ทำซ้าอย่างที่ในต้นรายการท่านมาร์กสอนอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นผพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป็นการทําให้เจริญอยู่แล้วะะใช่ก็ทําทําต่อไป ท, ทําซ้ําแล้วมันจะเจริญในตัวท่านผลมันจะปรากฏในผู้ปฏิบัติวิธีการวัดอย่างที่เราพูดกันอยู่เรื่อยใช่ไหมคือเราปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วไหม น, นี่อแล้วก็เดีฉันได้ยินท่านพูดตอนเอ๊ะเดี๋ยวท่านท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อนะคะที่พูดว่าเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆ Mm hmm. ตอนแรกมันอาจจะลำบากในการที่จะจับได้ถึงลมหายใจแต่พอทำไปมากๆต่อไปอยู่ที่ไหนก็จะรู้สึกว่าลมหายใจเราเป็นอย่างไรอ๋ อ, อ, อ, อ, อก็เรื่องนี้หลวงพ่อเคยพูดเอาไว้นะคือเราทำบ่อยๆทาซ้ำๆย้ำๆจนเราทาชนานาญเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นอัตโนมัติได้ หลวงพ่อที่เราพูดถึงคือท่านเจ้าวาดวัดปาดอนไฮโศกนะคะหลวงพ่อดรสะอาดทิโตพาโซค่ะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในส่วนที่ท่านพิบู์มาพบกับเราในวันนี้เนี่ยดิฉันเองก็อยาจะกลับเรียนถามท่านถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนเนี่ยนะคะว่าพูดจริงๆดิฉันได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้หลายแบบ ไม่ใช่แค่แบบที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่าถ้าฟังรายการนี้ก็จะรู้จักหนักไปทางอาณาปานาสติจริงๆออแล้วทรงสอนด้วยกี่แบบแล้วนะเ อ, อ่อหลายแบบคือคําสอนทั้งหมดรวมลงในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมทันนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาอาธิจิตเนี่ยเรื่องของสมาธิเนี่ยก็มีก็เรื่องของฌานสี่ฌานหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมทีนี้ว่าการที่จะมาสู่ฌานสี่เนี่ยวิธีการปฏิบัติก็มีหลายอย่าง นะการที่จะให้เกิดปัญญาวิธีการปฏิบัติก็มีหลายอย่างนะวิธีการปฏิบัติที่พระเจ้าพูดถึงก็มีเรื่องของมรณสติก็มนะีพูดถึงพุทธานุสติก็มีอานาปานัสติก็มีโอธรรมานุสติก็มีศีลานุสติก็มีมีหมดเลยมีเยอะมากวิเยอะเยอะพูดถึงในวันนี้เนี่ยถ้าหากจะพูดถึงวิธีปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่ายๆเพิ่มขึ้นจากอานาปานัสติเผื่อว่าบางท่านเนี่ยไม่สันทัด ในการที่จะเจริญอาณาปานสติสักวิธีหนึ่งที่จะบอกท่านผู้ฟังไหมคะวิธีที่อาตมานิยมใช้มากที่สุดเลยนะคืออย่าเวลาที่เรามีจิตแบบฟุ้งซ่านหรือจิตหดหูวอะวันนี้จิตมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้นั่งสมาธิไม่ได้เลยคแต่วันนี้แบบอารมณ์ไม่ดีโห้ยทําไมลูกมันพูดอย่างนี้กับเราอย่างเงี้ยนะวิธีแก้ง่ายๆที่ที่คิดว่าจะสามารถทําได้ก็คือว่าระลึกถึงนสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้เราก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ลองคิดดูพระพุทธเจ้าถูกเด็กเลี้ยงแพ้ปัสสาวะใส่เอาไม้แยงหูยังไม่โกรธเลยแล้วมันเป็นใครวะเราไม่ควรจะโกรธเราเนื้อถึงกิจกรรมตรงนี้ของพระุทเจ้าแล้วแหมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมจริงเราวางอารมณ์นี้ช่เราจะมาจะเป็นอย่างนี้นี่คือพุทธวิธีพุทธานุสติอ๋อค่ะพุทธานุสติหรือว่าเราเนรึกถึงครูบาอาจารย์ของเรา S 1> <S 1> <S โอท่านปฏิบัติเข้มข้นขนาดนี้นะเรามันยังไม่ได้หนึ่งในสิบหกเซี่ยวของท่านเลยโอ้ยเราวางอย่างเงีย้ยบางบาทีเราไปล้างห้องน้ําตามความสะอาดอะไรรู้สึกวันนี้มันหนักเหลือเกินภาระมากโอ้ยดูครูบาอาจารย์ทำมาไงแล้วเธอทําแค่นี้เธอจะไปบน่นอ้าวางอย่างเงี้ยอันอันนี้ถือว่าเป็นสังขารวิสติอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะถามว่าอ่ะวิเป็นวิธีในการปฏิบัติภาวนาอะไรเงี้ค่ะใช่ถูกต้องทําให้เราปล่อยวางให้ได้ นะคะเหนือไปจากวิธีที่ใช้ลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติอืมถูกต้องถูกต้องอืมอ่ามันถึงมันก็มีกระบวนการที่นี่เราจะไประลึกถึงได้ยังไงเราจะมีสติได้ยังไงค่ะใช่ไหมถูกคนด่าปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะไปนึกถึงตอนที่พระเจ้าถูกนางจินจามารวิกาด่าหรอโอ้โคุณต้องมีสติไงเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญไงอ่าสติที่ที่นี้คุณจะระลึกถึงลงมหายใจก็ได้ คุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้คุณจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้ก็เป็นไล่ไปอนาปานสติพุทธานุสติสังกานุสติหรือระลึกถึงความดีของตัวเราเองก็ได้เอ้ยฉันเป็นคนดีนะจะเป็นคนมีศีลนะจะเป็นคนมีธรรมนะเนี่ยคือศีลานุสติของเราอ๋อศีลานุสติก็เรื่องเดียตอนนี้เรียกว่าได้สี่วิธีแล้วนะคะที่ท่านพูดมาใช่พุทธ า, ออาทำมาสังคา และสีสาลานุสติ่ดิฉันนึกว่าอัตตานุสติสิเองเมื่อกี้ที่ท่านพูด <laughs> ที่ท่านพูดว่าให้เรานึกถึงศีลแต่ว่าไม่ใช่ไปตัวตั้งสติอยู่กับเราเสติ<ช>อยู่กับเรื่องศีลของเราอศีลานุสติค่ะหรือบางทีเราก็ใช้เทวตานุสติก็ได้คือระลึกถึงพ่อแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยท่านเป็นเทวดาหรือว่าเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอย่างเท้าสกัดเทวราชอย่างเงี้ยเป็นผู้มีความอดทนมีความสงบสงบเงียม เรานึกถึงพระอินทก็ได้นั่นคือเทวดานุสติเทวดามีด้วยเหรอคะเทวดานุสติมีมีเทวดานุสติอค่ะคืออย่างกรณีของของมารดาอย่างเงี้ยมมติมานึกถึงโยมแม่ของอาตมาใช่ไหมเสียไปแล้วโอหถ้าเป็นคนมีความอดทนมากถ้าเป็นคนมีความขยันมากถ้าเป็นคนมีความระเบียบเป็นคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเราได้เสี่ยวหนึ่งของท่านไหมเราก็จิตของเราก็จะอยู่ในความอดทนอยู่ในความมีระเบียบเรียบร้อยขึ้นนั่นดี คือฟังดูมันเหมือนกับไม่น่าจะพาไปถึงคือกำลังจะถามว่าวิธีเจริญสติทั้งหลายหลากนี้ก็เพื่อที่จะไปถึงฌานทั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในเรื่องสมาธิถูกไหมคะใช่ใชทีนี้ฟังดูอะค่ะว่าการแค่ที่เรานึกในลักษณะถึงจริงๆหรือคะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะมั้คะว่าเมื่อเรานึกไปแล้วเนี่ยนึกอย่างไรนึกไปแล้วต้องนึกไปถึงไหน ถึงจะได้ทําให้มันเกิดการเจริญทางด้านการปฏิบัติอย่างนั้นเกณฑ์ okay. ในการวัดก็อยู่ตรงที่ว่าอคุสน์เนี่ยดับไปไหมนะพะ อ, อกุศลดับไปเมื่อไหร่สมาธิเกิดทันทีนะพออกุศลดับสมาธิเกิดทันทีปุ๊บคุณวางได้เพราะว่ามีสมาธิแล้วคุณจะรู้ตามที่เป็นจริงใช่ไหมรู้ตามที่เป็นจริงคุณจะวางได้อารมณ์เราที่คุนโมก็จะลดลงทันทีอันเนี้คือแสดงว่ามันเวิร์กอ๋อก็คือนะเมื่ อ, อจเจริญเมื่อเอาสติไปใคร่ครวนในเรื่อง น, น, นั้นแล้ว อ, อกุศลดับหรือไม่ลใช่คาว่าระลึกถึงเนี่ยคือเรานึกไดนะ้คือว่าเรานึกได้อีกอย่างหนึ่งเราก็วางไปใช่ไหมคือสมมุติเร า, เ, ราเหยียบเรือเนี่ยหรือว่าเราอยู่อจะพูดว่างไงดีเรานึกถึงสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงเราก็ลืมไปเพราะฉะนั้นเราฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงทุกเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะก็คือไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่ในแดนชั่วค่ะเพราะฉะนั้นให้ระลึกถึงเรื่องดีๆ ตรงนี้ก็คือแค่ว่าให้อคุศลมันดับไปได้อ๋ อ, อให้ระลึกถึงใช่สิ่งที่ดีๆตามธรรมฐานสิ่งที่ตั้งอันเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะนั้นบางคนอาจจะบอกว่ากลัามีความรักไวนหนุ่มสาวนะคะโอ้โหเลื่อมใสคู่ของตัวเองมากคู่รักเนะี่ย อเอาสติไป น, นึกถึงแฟนนี้ได้ไหมคะในกรณีเนี้ยคะ่ะถ้าคุณรักเ้าด้วยสิ่งที่เป็นกามนะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ละผิดละเพราะมีกามอยู่จิตชุ่มโดยกามไม่ได้แต่ถ้า ค, คุณนึกถึงเค้าเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนมีศีล น, นะศีลของเขาก็ได้ศีลรั ส, สติค่ะท่านคะทีนีอีกเรื่องคะ่ะที่ฉันว่ามนุษย์อาจจะนึกอย่างเหล่านี้มากกว่าด้วยซ้ําคือนึกถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะแบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าไปนึกแล้วอันนี้จะนึกอย่างไรจรึงจะได้สติทางาของการปฏิบัติคะ่ะทรัพย์สินเงินทองนี่ไปนึกถึงมันก็ยิ่งกวนใจนะหมายว่านี่เรียวยึดถือแล้วนะนึกแบบวางไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองนึกระพงนึกนึกอย่างไรให้อกุศลไม่เกิดแล้วก็ จะถือว่าเป็นสติในประเภทใดได้หรือไม่มในแนวทางปฏิบัติที่พระพุทธรังวางไว้ค่ะก็ในลักษณะของอสุภะอย่างเราเห็นของสวยงามเสร็จแล้วก็เห็นว่าเออมันเปื่อยเน่าทําลายไปนเห็นเงินแล้วก็เห็ว่าเออมันเผาไหม้ไปไม่มีค่าอะไรอย่างนี้อันนี้ทําได้คือเห็นเป็นความเบื่อหน่ายคือเห็นว่ามีเงินแล้วก็ไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยอืมก็ตายอยู่ดีไปใส่บาทแท้แท้ใช่เกิดนอกกรุงไปไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรสติแล้วคะ อันนี้ก็เป็นอเขาเรียกว่าเป็นยานนะเป็นเครื่องรู้เห็นแล้วนะเป็นนิพิทายานยานในความเบื่อหน่ายเกิดมาจากจิตที่เป็นสมาธิอ๋อค่ะรู้สึกจะพาข้ามขั้นไปไกลเดี๋ยวถ้าเพืฟังงงเอาอยู่แค่เรื่องของสติก่อนก็นแล้วกันไหมคะมแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าทํานองนั้นต้องวิเคราะห์ไปอีกแบบหนึ่งในฐานะที่ดี่ทนพูดผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วและก็จําเป็นต้องให้รู้กัน่งจริงแต่ันนี้เพื่จะให้รู้ให้แน่นเรามาพูดถึงเรื่องของการ ที่จะมีการร ะ, ระลึกรู้อะไรที่จะเป็นการปฏิบัติเหมือนกับระลึกรู้ลมหายใจเอ่อก็นอกจากนี้เรายังนึกถึงกายเราก็ได้นะกายเช่นว่าแขนขากระดูกท้องลำไส้พวกนี้นึกถึงได้หมดเลยสมมติว่าคุณกําลังจะคิดช่วยอย่างเงี้ยมีคนมาด่าเราโอ้ยจิตเอาจิตมาอยู่ที่สะดือระลึกถึงสะดือซะอย่างเงี้ย ก็ไม่เห็นไปที่อื่นแล้วท่านต้องให้รายละเอียดแลค่ะและาบางคนก็อยู่ตรงสะดือ่ะก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นสะดือสะ ด, ดือจุนสะดือไม่จุนอะไรอย่างนี้ยค่ะ <S <S คือว่าให้จิตเรามันไม่หนีไปที่อื่นนี่คือบาลานซ์ น, นะ <S 2> <S 2> <S ให้จิตเรามันไม่ไปอยู่ในแดนลบเนี่ยคุณจะทํายังไงก็ได้ อ, อย่างนี้เรียกว่าสติอยู่ที่ไหนคะกาย <S <S <บ>กายคตาสติไงอ๋ออันนี้คือกายคตาสติแล้วงั้นซึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าอาณาปานสติกับกายากายาคตาสติเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมคะอืมีส่วนที่เหมือนกันถูกต้องคืออย่างเรื่องลมหายใจเนี่ยถ้าเราดูที่ตัวธาตุลมของเขานียอันนี้เป็นกายคตาสติเลยก็เท่ากับว่าอาณาปานสติหรือลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายาคตาสติอส่วนที่ไม่ใช่กายคตาสติก็มีในอาณาปานสติไงเช่นว่าถ้าเรามาดูเวทนาไปดูเวทนาเนี่ยก็จะไม่อยู่ในกายคตาสติละ แต่จะเป็นส่วนที่อยู่ในอนาปนสติเองคือมันเหมือนว่ามีมีอินเตอร์เซกชันกันน่ะเข้ขาใจค่ะแต่<ม>ดิฉันกอลองจะให้ท่านฟังไม่สับสนเพราะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นผู้ถูกต่อว่าซะเองว่าทำไมยิ่งถามแล้วยิ่งพาไปคื อ, อประเด็นที่ถามวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเนะี่ยมีความรู้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าทำไมรายการเนี่ยพูดแต่อย่างนี้แต่เห็นที่อื่นเขาสอนอย่างอื่น หรือพูดถึงอย่างอื่นก็เลยจะให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าในสอนไว้หลายอย่างแต่รายการเนี้เห็นว่าในเรื่องของอาณาปานาสติเนี่ยท่านสอนบ่อยแล้วก็น่าจะสะดวกใช่ไหมคะก็เพิ่มความรู้ให้ว่าถ้าท่านไม่สะดวกในการใช้อาณาปานาสติซึ่งอาจจะขัดข้องด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีจุดที่จะเอาสติไปไว้เพื่ อ, อที่จะให้สมาธิของท่านเจริญถูกไหมคะใช่ดังที่ท่านไพริบุญได้พูดไปแล้วทีนี้ถ้าจะมาบอกว่า อาณาปานสติกับกายะคตาสติเหมือนและต่างกันอย่างไรดิฉันว่าเดี๋ยวเรายกไปพูดในวันอื่นดีกว่านะคะได้ไดเพราะว่าเออบางคนเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มมารู้จักอะคะ่ะเหมือนเวลาเราไปฟังธรรมเนี่ยเราคิโอ้ยเราดื่มดําช้าใจมากเลยเพราะว่าเราคุ้นเคยกับผู้ทวัจนะแต่ปรากฏที่คนที่ไปกับเราเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าฟังมาเนี่ยรู้เรื่องนิดเดียว ไม่รู้เรื่องมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีบางคนเป็นแต่บางคนก็ไม่เป็นนะคะบางคนพอจิตเขาตั้งมั่นดีๆเนี่ยเขาบอฟังเข้าใจเข้าใจชอบอะไรเงั้นตอนนั้นวันนี้ถ้าจะให้ท่านช่วยสรุปส่งท้ายดิฉันต้องยกให้ท่านช่วยสรุปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอ่าคิดว่าท่านจะสรุปให้ทีเด็ดได้ดีกว่าค่ะก็ในเรื่องของสติเนี่ยคือยังไงก็ได้ให้จิตของเรามีสติมีเครื่องแห่งการระลึกถึงอยู่ด้วยวิธีการทุกอย่าง ให้จิตของเราอย่าไปอยู่ในแดนลบให้มีสติรักษาจิตเราจะปลอดภัย ค, ค่นี้เอเป็นผู้มีสติรักษาจิตอยู่เฮียพระเจว่าค่ะและถ้าจะให้เราสบายใจว่าสติของเราจเจริญในการที่นำสติไปรักษาจิตตรงที่ต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องพบว่าอคุศลดับแล้วต่อไปอย่างไรนะค ะ, ะใช่อกุศลดับแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าพอละสบายใจได้นะคะ ค่ะก็เป็นอันว่าดิฉันก็สบายใจแล้วคิดว่าได้จัดการเคลียร์จนชัดเจนแล้วนะคะก <laughs> ขอบคุณพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนัก<ต>สื่อสาค่ะระหว่างที่ครบรอคาะ์ลเนี่ยนะคะคือรายการสัมสนาสนทนาที่พบกันทางวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอร้เป็นประจําติดตามรับฟังรายการนี้ที่นําเสนอผู้ทวัจนะซึ่งท่านสามารถจะทบทวนไร่ครวนได้จากหนังสือที่แจกให้เวลาสามเล่ม ซึ่งทางท่านอาจารย์คือคลิปสดทิพยโลวัฒนาปรารพงศ์มอบให้มาที่02290006นะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ